เขาต้องยอมเราเราต้องยอมเขาถ้าใครคิดอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะเราไม่ยอมก่อนหรอกเพราะมันต้องคิดว่าเราต้องยอมเขาก่อนถ้าคิดอย่างนี้แล้วเมื่อพอทําลงไปแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าคราวนี้มันจะมีผลมันจะมีผลถ้าใครคิดว่าเรายอมเขาแล้วเขาต้องยอมเราคืนมาเข้าใจไหมคราวนี้แหละพอเรายอมไปแล้วเนี่ยจริงๆถ้าใจเราคิดอย่างนี้นะเรายอมไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราพยายาม ตัดใจเรานะอ่าพอเราตัดใจลงเราลงไปได้แล้วคราวนี้แหละไอ้ความที่มันหวังว่าเรายอมเข้าไปแล้วเขาควรจะต้องยอมตอบนี่แหละถ้าเขายอมตอบมาเราก็รู้สึกว่าเออดีถือว่าอะไรอะ่ะมัน ม, น ม, นมนัมันทดแทนกันได้มันมันอะไรอะ่ะได้เปรียบเสียเปรียบไม่อะไรเออบรรเจ้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะ ออคือถ้าอย่างนี้ก็กรู้สึกว่าดีใช่ไหมแต่ถ้าบางคนว่าพอยอมเข้าไปแล้วเอารู้สึกว่าเออเขาไม่ยอมกลับมาแต่เราคิดว่าเมื่อเรายอมเขาแล้วเขาต้องยอมกลับมาถูกไหมวันข้านี้แหละพอเขาไม่ยอมกลับมาคุณจะไม่ยอมแหละวัน <c oughs> <c oughs> นี้แหละคุณจะไม่ยอมแหละซึ่งจริงๆรล้วอาจารยึงบอกว่ามั น, มนเวลาเราพูดว่าอา้าวมันต้องป ร, ปรนนิบรติอมกันต้องยอมกันเนี่ยนะ อันนี้เป็นคำพูดที่เราพูดให้ทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องยอมคำพูดนี้ถูกต้องแต่เวลาภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะมันต้องหมายความว่าเราต้องยอมเขาแต่เขาจะยอมเรากลับมาไหมอันนั้นอันนั้นเราอย่าอย่าพึ่งไปหวังเพราะถ้าหวังแล้วเนี่ยมันจะอกหักถ้าอกหักแล้วเนี่ยเสร็จทุกข์อีกเพราะนั้นถ้ายอมไม่ต้องเอาแบบของพูดเราเลยคือเรายอมเราถือว่าเอาละ อาตมานเนี่ยมักจะบอกอพวกที่จะมาหัดยอมนี่นะพวกที่จะมาลดอัตรามานะเนี่ยคุณยอมเท่าที่คุณคิดว่าคุณยอมได้แค่ไหนคุณยอมไปเท่าที่ใจคุณเนี่ยจะยอมได้คุณยอมไปเลยโดยคุณไม่ต้องหวังนะว่าเขาเนี่ยจะยอมกลับคืนมาหมายถึงว่าจะตอบแทนกลับคืนมาคุณไม่ต้องหวังมุมนั้นถ้าคุณยอมแค่ไหนเนี่ยสมมุติ เขามาขอขอเงินคุณสัก10บบาทจริงๆคุณมีอยู่สิบาทเอาอย่างงี้แหละถ้าคุณยอมให้ได้ว่าให้ไปสิบบาทเลยนะที่คุณมีอยู่คุณยอมให้ไปได้เลยสิบบาทโอ้คุณก็ทำใจได้เก่งแต่หมายถึงว่าเขามาขอยืมไป10บาทนี่แล้วนะคุณอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องมาคืนนะเพราะว่าถ้าคุณหวังอยู่อย่างนั้นนะคุณให้เขาไป10บาทเสร็จคุณก็จะต้อง คิดอยู่เรื่อยแหละคราวนี้เมื่อไหรเขาจะมาคืนว่าไอ้สิบาทที่มยืมเราไปเดี๋ยวก็ทุกถ้าเนี้ยเดี๋ยวทุกเพราะอะไรเพราะเขายังไม่มาคืนสักทีแต่ถ้าเขามาคืนคุณก็ไม่ทุกช่วยไหมถ้าเขามาคืนไวอ่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะ อ, อกหักเพราะในที่สุดเนี่ยเราจะต้องเจอไอ้ที่เขาไม่คืนแต่ว่าเราตัดใจอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีอยู่10บาทใช่ไหมคราวนี้คนนั้นดูกําลังของใจตัวเองแล้วว่า ตัดใจให้เขาได้แค่บาทเดียนะเอาไปเลยให้ยืมไปเลยนะแต่ให้ยืมโดยที่อาตมาบอกแล้วว่าว่าจริงๆคือให้เขาไปเลยแหละเขาไม่มังคืนเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรนะวนะวันจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเขาจะมายืมเรานะแต่จริงๆใจเราเนี่ยต้องถือว่าให้ไปเลยอย่าไปคิดว่าแค่เขามายืมเราคุณตัดใจได้แค่ไหนคุณให้ไป แล้วคุณไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนอะไรว่าเขาจะต้องมาคืนคุณอีกถ้าอย่างเงี้คุณไม่ต้องมาห่วงคุณไม่ต้องมาทุกข์อะไรแม้เขาไม่มาคืนก็ไม่ทุกข์เนี่ย ห, หัดทําอย่างนี้หัดทำใจอย่างนี้แล้วคนนั้นน่นถึงจะไม่ค่อยทุกข์เพราะอะไรอืมถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวอ่าถ้าเรายอมได้ไม่เป็นนะ่ร หมู่กลุ่มจะไม่ยอมเราก็เล ย, ยทับไม่ยอมตามหมู่กลุม่มคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนตัวก็ตามหรือมันจะเป็นส่วนรวมก็ตามคุณฟังดูให้ดีนะความสําคัญมันอยู่ที่กิเลสของเราฟังดูว่าเรายึดแค่ไหนไอตัวที่เรายึดเนี่ยไม่ว่าจะยึดเพราะส่วนตัวก็ตามหรือเรายึดเพราะส่วนรวมก็ตามมันก็เป็นเรื่องของมรรคทิฐิทั้งนั้น วางดูให้ชัดนะเพียงแต่ว่ามันเพื่อคนคนเดียวหรือเพื่อคนหลายๆคนมันจะย้อนกลับมาที่ทําให้เราทุกข์ได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะยึดดีก็ตามหรือว่ายึดไม่ดีก็ตามนะแต่ขอให้คุณไปยึดไว้เถอะถ้าคุณยึดไว้แล้วล่ะแล้วเราหวังระหวังผลอาสมมุติว่าเพื่อส่วนรวมนะพอเรายึดแล้วเนี่ยเราหวังผลว่าเพื่อส่วนรวมมันก็ควรมีผลออกมาอย่างนี้คนอื่นควรจะ ต้องทําตามผลของส่วนรวมอันนี้แต่ถ้าเขาไม่ทําอ่ะเขาไม่ทําตามเพื่อส่วนรวมอ่ะไอที่เรายึดไว้เราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันอ่ะเข้าใจไหมเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันทั้งที่ส่วนตัวเรานี่เราไม่ได้ยึดเพื่อส่วนตัวเรานะแต่เรายึดเพื่อส่วนรวมแต่เมื่อเขาไม่ทําเพื่อส่วนรวมเราก็ทุกข์เหมือนกันถ้าถ้าเรายังหวังถ้าเรายังหวังผลอยู่ว่าเขาควรจะทําเพื่อส่วนรวมเข้าใจไหมถ้าใครไปยึดอย่างนี้เอาไว้ คนนั้นก็จะทุกข์เหมือนกันยังทุกข์อยู่เพราะว่ายังหวังผลตอบแทนจากเขาว่าเขาจะต้องควรที่มาทาเพื่อส่วนรวมด้วยคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะทำหรือไม่ทำ <S 2> <S 2> ก็ตา ม, ตามก็ช่างเข า, า, เาเคืออันนี้เนี่ยเราพูดในประเด็นที่เรียกว่ายอมเนี่ยไม่ว่าจะยึดดีหรือไม่ดีเนี่ยใจเราก็ ไม่ไปหวังผลตอบแทนอะไรกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยเราพูดในในลักษณะในแง่มุมที่ว่าเรื่องของการปฏิบัติ n เข้าใจไหมถ้าสมมุติว่าเราเรายึดเพื่อส่วนรวมก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยก็ไม่เอาไม่เอาตามเรานะสมมุตินะเขาไม่เอาตามเราเนี่ยยังไงมันก็ยังแตกกันอยู่เข้าใจไหมมันยังเป็น2 ส, ส่วนอยู่แม้ว่าเขาจะ คือเราไม่โกรธเขาแม้ว่าเขาไม่มาทำตามเข้าใจไหมแต่ว่าสองส่วนนี้มันก็ยังยังอะไรมันมันยังทิฏฐิมันยังลงกันไม่ได้อยู่จริงแม้ว่าเราเก่งที่เราทำใจให้เราไม่เป็นทุกโดยที่เราไม่หวังผลอะไรจากเขาก็ตามใช่ไหมอันนี้เราเราลอดตัวไปแต่ถ้าจากสภาพรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ปรดีบรนอมกันร เ, รเรายังไม่ยอมโดยส่วนรวม เพราะว่ า, เ, าเดชพระพุทธพูดในแง่ที่ียกว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาเราเราเร า, เรา เ, าเราเอาตามส่วนรวมไงว่าอันนี้ก็คือว่าพูดง่ายว่าโดยส่วนรวมเนี่ยคือส่วนรวมนี้ไม่ยอมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอาตมา ก, ก็พูดในแง่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่เป็นอัตราของคนคนเดียวมันเป็นอัตรารวมและเป็นอัตราใหญ่เพราะมันก็เป็นการไม่ยอมของคนส่วนรวม คือคือถ้าอย่างนี้อัตมาพูดในแง่ของปริบันอมว่ า, าวก็ต้องรวมเรารวมอยู่ในนั้นด้วยไงมันเป็นโดยส่วนรวมซึ่งอัตมาบอกแล้วว่าแม้ว่าจะยึดดียังไงก็ตามแต่ว่ามันก็จะต้องแยกออกเป็นสองฝ่ายละเข้าใจไหมอ่ามันก็ต้องมันก็ต้องแยกออกเป็น2ฝ่ายแต่นี้พูดในแง่ว่าถ้าสมมุติว่าจะอยู่ร่วมกันแล้วเราจะปริบันอมกันมันก็จะต้องจะต้องยอมซึ่งกันแล้วกัน คือมันมันต้องยอมข้างนี้ก็ต้องยอมเสียผลประโยชน์ข้างนู้นต้องยอมเสียผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าจริงๆแหะเราอยากจะให้หมู่กลุ่มนี้นะคิดว่าจะต้องเอาดีเต็มร้อยแต่ปรากฏว่าอีกหมู่เขาไม่เอาด้วยแต่ว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยเพราะฉั้นบางทีเราจะเอาดีเต็มร้อยมันร้อไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องมาเหลือดีสัก70อะไรอย่างเงี้ย น, นะแล้วอีก30มสิบเราต้องยอมสละให้เขาไป เข้าใจไหมนั่นแหละแล้วเขาถึงจะเออยอมเราได้บ้างใช่แม่อย่างเงี้ยมันคกล้ๆว่าคุณภาพบางทีเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้อย่างที่เราหวังแล้วมันอาจจะต้องลดลงมาเพื่อที่จะปฏิปัติธมอยู่ร่วมกันแต่คุณภาพจะต่ำลงเนี่ยอันนี้อันนี้เราพูดในแง่ของของการปฏิปัติมแต่จริงๆแล้วเนี่ย ความเป็นจริงของมนุษย์คนเราถ้าตาบใดนี่นะต่อให้มีกิเลสอยู่ก็ตามหรือหมดกิเลสแล้วก็ตามจริงๆแล้วพระอาหารหันต์เนี่ยเอ่อเท่าที่เราเรียนกันมาเราศึกษากันมาเราก็จะรู้อยู่ว่าจริงท่านเป็นผู้ที่หมดอัตตาวานะต่างๆแล้วใช่ไหมยอมก็ได้ไม่ยอมก็ได้แต่ขนาดผู้ที่ยอมก็ได้ไม่ยอมก็ได้นี่นะท่านก็ยังต้อง เอาเอาธรรมมาธิปไตยคือเอาเอาธ ร, รเป็นใหญ่อยู่ดีท่านก็นยังต้องยึดธรรมเลยแต่ใ น, นขณะที่ท่านยึดธรรมเป็นใหญ่เนี่ยผู้เจ้าก็ตัดเหมือนกันว่าเหมือนกับพ่วงแพรนะ้าที่เราอาศัยธรรมะเนี่ยจนกระทั่งเราข้ามพ้นฝั่งมาแล้วเนี่ยเราไม่แบกแพรต่อไปอีกอแพรเราก็ทิ้งไว้ที่บกนั่นแหละแล้วเราก็เอาแต่ตัวเราไป คือแม้แต่ธรรมะที่เรายึดให้เป็นใหญ่เนี่ยให้เป็นธรรมเนี่ยบางครั้งบางทียังต้องสละธรรมบ้างเลยยังมีเลยบางบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางเรื่องยังต้องสละธรรมแต่อันนี้มันเป็นหมดที่มันมันสูงขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าถ้ามาพูดอย่างนี้ถ้ใครพอจะเข้าใจได้ ก, ก็ก็คงจะรู้แต่มันมีเบื้องต้นทําการบางปลายเบื้องต้นเนี่ยก็ยึดแน่นอนต้องยึดดีต้องยึดธรรมะ แต่พอยึดดียึดธรรมะไปปั๊บคราวนี้จะต้องรู้ละ ว, ว่ายึดดียึดธรรมะเนี่ยมันยังทําให้ทุกข์หรือว่ามันทําให้ทะเลาะเบาะแหวงกันก็ได้คราวนี้เมื่อรู้อันนี้แล้วมันถึงจะรู้ว่าเออมันควรจะต้องบางบางอย่างอาจจะต้องอนุโลมกันอาจจะต้องต่อรองกันในบางบางเรื่องบางอย่างเพื่อที่จะประสานคนเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยถึงได้มีระดับขั้นตอนเยอะ ถึงไดมีพระอาหารหันต์มีพระนาคามีมีพระสกิทาคามีมีพระโสดาบันอะไรพวกนี้มันถึงได้มีระดับมีขั้นตอนอะรยงต่างและในแต่ละแต่ละอย่างนี่ยังมีอีกตั้งรายละเอียดอีกนะในบุคคลสี่เนี่ยยังมีรายละเอียดอีกมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อัตมาว่า เราต้องศึกษาไปแล้วก็อาศัยเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วมันจะพลาดกันอยู่เรื่อยจะพลาดกันอยู่เรื่อยเพราะบางทีเราจับกิเลสล้วไม่ทันมันก็จะพลาดไปแล้ะแต่พอพลาดไปแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้จากของจริงจากเรื่องจริงนั่นนะด้วยตัวเราเองเนี่ยนะแล้วก็เอามาวิวปัสสนามาไต่ตรองจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยมีญาณหรือว่ามีความรู้ที่จริงที่เป็นสัจจะเนี่ยมากขึ้นจนว่าหลังโอกาสที่เราจะ ผิดพลาด ใ, ในการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยก็น้อยลงรวมไปทั้งเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราก็ทุกน้อยลงเพราะเรารู้จิตแล้วเรารู้จักทําใจแล้วเมื่อนมาจําได้ว่าโอ้โหตอนแรกๆเนี่ยมาอยู่มาบวชเป็นพระได้ไม่นานโอ้โหพระเจอพระรูปอื่นศึกไปเนี่ยโอ้โหทําใจยาก ทำใจยากรู้สึกว่าไม่ยอมนะตอนนั้นไม่ยอมจริงเลยรู้สึกโอ้พระสงฆนี่กว่าจะมาบวชได้แต่ละรูปมันยากเย็นแสนเข็นเรารู้สึกเราไม่ยอมอะไรให้ท่านสึกไปง่ายใจยังไงต้องตามกันถึงบ้านนะ่ยต้องอมีวิธีแก้มีวิธีอะไรยังไงต้องต้องคุยกันให้มันถึงที่สุดอะยังไงก็โอ้แต่แรกๆอย่างงี้ย น, นะมันยังไม่เคยมีประสบการณ์ฮะ<ต>อ้ะาอมันก็ทุกข์ที่โอ้โห จนบางทีจะท ะ, ทะเลาะกับกับสมณะผู้ใหญ่จะซ้ํำไปเพราะว่าท่านผ่านมามากใช่ไหมท่านก็รู้แล้วท่านรู้แล้วท่านจะรู้ว่าจะทําใจยังไงแล้วท่านจะไปพูดคุยขนาดไหนท่านก็จะดูออกพอดูออกแล้วว่าพูดคุยไปแล้วเนี่ยถ้าคายกันไม่ได้อะไรไม่ได้นี่ก็ก็คงจะต้องศึกไปอะ่ะใช่ไหมแต่อเรานี่มันยังไม่เคยนะแม่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ยอมจริงจริงอะ่ะ โอ้โหต้องตามก็ให้ถึงบ้านถึงช่องรู้ว่าข่าวอยู่ที่ไหนต้องตามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆชักรู้แล้วก็นี้บอกอ่อพอจะเข้าใจละมันมันมันมีประสบการณ์แล้วมันพอจะเข้าใจว่าอา้อมันเป็นยังไงแล้วคราวนี้มันถึงจะยอมขึ้นมาได้มากขึ้นอันนี้อาตมาถึงบอกประสบการณ์ชีวิตนี่มันมีค่ามากแต่ว่าเราต้องรู้จักในในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องรู้จักามาพิจารณา เอามาไต่ตองด้วยว่าเออนี่มันเป็นกินเลสของเราแค่ไหนยังไงนะเรายึดกี่เปอร์เซนต์บางทีนะยึดเพราะกิเลสตัวเราเองกี่เปอร์เซนต์เรายึดให้ส่วนรวมเนี่ยกี่เปอร์เซนต์บางทีมันต้องจับให้ได้นะเพราะบางทีเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะไม่พยายามไปพิจารณาไม่ไปสังเกตตัวเองบางทีมันมองไม่ออกหรอกเราอ้างว่าเราทําเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมเนี่ย แต่บางทีเรา่ลองไปไต่ตองให้ดีนะลองเ อ, เ, อเอากระดาษมาเลยนะเอากระดาษมาสองแผ่นอันนี้เพื่อส่วนรวมอันนี้เพื่อส่วนตัวนะอันนี้เป็นเป็นกิเลสของเราเองอันนี้เป็นเพื่อจะทำให้กับคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องลองมาแยกดูแยกดูแยกอย่างยุติธรรมที่สุด <c oughs> บางทีว่าตั้งใจจริงๆแยกดูจริงๆแล้วมันถึงจะรู้อะโอ้โหบางทีเนี่ยไอเรานึกว่าเราทาเพื่อส่วนรวมนะ ใจตัวเองอาจจะคิดว่า 80% ดิบเอร์ไอ้กิเลสเราเองมียอมรับว่ามีแต่มีแค่ 20% เท่านั้นแนหะแต่พอแยกไปแยกมาแยกไปแยกมาแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อโอ้โหเผยเผมันจะคะแนนกลับกันเลยนะเพื่อส่วนรลวงอาจจะเหลือสักยีเองนะแต่เพื่อตัวเราเองอาจจะ 80% เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ง่ายมันถึงบอกว่าไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเราก็ต้องทําหละต้องหัดมันพิจารณา อ่ะานนี้อีกตัวอย่างอา <c oughs> มีอะไรกันเนี่ยบางรายให้ทำงานบางอย่างอ๋อนี่บอกไปแล้ ว, วอ๋อขึ้นตัวประชดประชันนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันแสดงอาการบทบาทอยู่ตลอดเวลาใครยังมีอยู่ก็ยังเป็นผู้เอาแต่ใจตัวเอง ยังมีจิตปิญญาของทารกทาริกาอยู่แม่เปรียบหนักหรืออีกตัวอย่างหนึง่งอย่างสถานที่บางแห่งเช่นในโรงพยาบาลคนไข้าบางรายก็เฉยดีอยู่หรอกแต่พอเห็นป้ายว่าห้ามส่งเสียงดังเท่านั้นรู้ว่าเขามีกฎแบบนี้แต่จิตใจมันยังแค้นพวกหมอพวกพยาบาลเลยร้องกรีดกรีดลั่นเป็นว่าเล่น ทำเอาคุณหมอทั้งหลายนึกว่าเปรตโผกลางโรงพยาบาลหรือคนบ้าหลงมาคือถ้าจะมีสภาวะนี้นะแสดงว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องสั่งสมสภาวะกดดันมามามากคือมันมันมันมันพูดง่ายว่ามันมันล้นละมันเต็มไอจิตใจเขาแล้ะมันพอมากระทบอะไรนี่เท่ากับว่าเป็นสื่อเหมือนกับอะไรอะมาเปิด มาเปิดประตูให้มันไหลออกมาเท่านั้นเองอ่ะเข้าใจไหมมันพอกระทบเข้าไปเท่านั้นเองเนี่ยทันทีเลยมันห้ามส่งเสียงดังเลยเอาเลยทําให้มันลั่นสนั่นกรุงไปเลยอะไรอย่างนี้คือมันมันแสดงว่ามันมันมีสภาวะกดดันอยู่สังสมอยู่แล้วมันไปสังเกตดูบางทีเนี่ยเราไม่พอใจใครบางคนหรือว่าบางเรื่อง มันมีอยู่แล้วนะมันอัดอยู่แล้วนะไม่รู้ละจะพูดมาก่อนหรือว่ายังไม่พูดมาก่อนก็ตามแต่แต่มันอัดอยู่แล้วในใจมันบางทีพอเราไปเจอเหตุการณ์อะไรอีกที่มันทำนองเดียวกันเนี่ยคือไม่ไม่ถูกไม่ถูกอารมณ์หรือว่าไม่สะใจใช่ไหมพอไปสัมผัสปั๊บทันทีเลยไอ้ที่มันเก็บเอาไว้อยู่เรื่องอื่นนะแต่มาเจอนี่มาเจอเรื่องใหม่นะมันทันทีเลยระบายออกมาเลย กับกับเรื่องใหม่แหละเอาเรื่องเก่านัา่นแหละระบายตูออกมาเลยแต่พูดภาษาเรื่องเรื่องใหม่ไอที่พูดมาเนี่ยเป็นภาษาของของเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วเรื่องเก่าที่สะสมอยู่เอามาบวกเข้าทันทีอย่างบางคนนะ่ <c oughs> นะเห็นไหมน่ะอาตมาชอบใช้ภาษาว่าผ่านผ่านจิตมันผ่านจริงๆนะ่ะสะสมเอาไว้แล้วบางทีนะ่ะหุดจิตมาเช้านี้โดน ใครว่ามาใช่ไหมนะมันเริ่มหน้าอีกหน้า ง, งอแล้วล่ะใจอึ ด, อ, ดอัดรู้สึกอยากจะหาที่ระบายอยู่แล้วนะพอดีเลยเดินมาบางคนเขายิ้มให้ก็ทักแหมวันนี้ทำไมหนะ้ามันจอยจ่อยยังไงล่ะทันทีเลย <laughs> พูดใ ห, ให้รู้จัก <laughs> ให้รู้จักพูดใช่ไัง ใส่เลยบางทีอนะโอ้โหอาจจะมาก็ยังนึกคําที่มันจะ oh. แรงๆไม่ออกนะแต่มีเลยนะเห็นมไหมละ่ะบางคนนะโอ้โหพอดีเลยไอคนไปทักก็ไม่ทันได้สังเกตหน้าตาเขาหรือบางคนเขาก็หน้าเฉยๆด้วยเขาก็ไม่ได้แสดงคือเขาข่มเอาไว้อะใช่ไหมมันก็ไม่ออกมาทางสีหน้าสีตาแต่เราไม่รู้ว่าเขากําลงัง อ, อัดเอาไว้อยู่ในจิตในใจ พอนบางทีไปทักหรือว่าไปเยาเยาแย่ยหน่อยเงี้ยใช่ไหมบอกโอ้วันนี้นีแดดมันร้อนนะ <c oughs> คนละเรื่องนะที่จริงมันจะไปอะไรอนะแต่ปัดีิแล้วไม่เข้าหัวมันเขาไม่ชอบใจมันรอนแล้วมันหนักหัวเลยโอ้บางทีเนี่ยพานเลยนั่นเราจะเจอบ่อยอันเนี้ยซึ่งนี่แหละมันเป็นสภาวะจิตอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอมัน ถ้าเราจับจิตเราได้เนี่ยต้องต้องรีบคลายเลยอย่าไปเก็บกดต้องรีบคลายออกไปคลายจิตออกไปนะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละจะใช้ธรรมะหมวดไหนหมู่ไหนสูตรไหนนะต้องรีบคลายออกไปแต่อย่าหวังว่าอย่าไปคลายด้วยวิธีการกินกับนอน <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็อ้วนลูกเดียวนะหรือไม่ก็พวกโรคจิต มือนะมืออาชีพใบที่ไหนเขาห้ามอะไรเป็นต้องทําในสิ่งที่เขาห้ามทุกทีห้ามฉีกพ่อคุณก็ฉีกห้ามทิ้งแม่คุณก็ทิ้งห้ามดูก็แอ บ, บดูนี่นแหละอาจจะมาบอกแล้วพวกนี้มันสั่งสมอยู่ในจิตอยู่แล้วคนบ้านเนี่ยไม่ต้องแปลกใจหรอกบางทีเนี่ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่คนบ้าอ่ามันเป็นอย่างนั้นซะอีก เพราะว่ามั น, ม, นมันอยู่ในจิตเขาอยู่แล้วเขาเนี่ยมันอัดแน่นเต็มไปหมดแล้วเพราะพอเราไปพูดอะไรเนี่ย ม, มันไม่เข้าพบเขาเลยเพราะเขาก็แสดงออกมาตามพบเขาที่เขาต้องการแสดงบางเรื่องก็เป็นข้อห้ามที่ในหมู่สังคมนั้นยอมรับกันแต่พวกปฏิเสธเหล่านี้ก็มักจะทวนกระแสกันอย่างสนุกแถมยังอ้างความล้าหลังของคนรุ่นก่อนๆเสียอีกอ นะเช่นห้ามไว้ผมยาวก็เอาไว้ห้ามนุ่งสั้นก็นุ่งห้ามพูดหยาบคายก็จะพูดห้ามโกงกินเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดก็จะทําบางพวกก็เถียงไม่ตกฟ้าตะแบงเถียงก็เอาเถียงข้างๆคู่คูก็ชอบดิ้นเป็นม้าลื่นเป็นปลาไหลนั่งก็เถียงนอนก็เถียงนี่ก็เข้าพวกให้ห้าทำร้อย ยิ่งเถียงเก่งแบบจะเอาชนะท่าเดียวมันก็ยิ่งห่างจิตของตัวเองมากขึ้นยิ่งห่างจิตก็ยิ่งจับจิตตัวเองไม่ทันก็เอวังพวกนี้ถ้ายิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งนานก็นานยิ่งกว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มเสียอีกนะหมวดนี้เป็นเรื่องของการเนี่ยแหละทำตรงข้ามพูดง่าย นะั่นกระตีบนี่คือการทําตรงข้ามแต่ทําตรงข้ามตามกระแสจิตนะจิ ต, นะจตที่เป็นกิเลส น, นั่นแหละแต่ทําตรงข้ามกับสิ่งที่คนอื่นพูดหรือสิ่งที่คนอื่นบอกสมมุติว่าถ้าอาจจะมาบอกว่าอ้าวโยมพยายามทําตามกฎระเบียบนะไปสังเกต ด, ดูนะบางทีเนี่ยข้างนอกอาจจะยังไม่ทำอะแต่ให้ดูจิตเราก่อนบางทีในจิตเถียงเถียงก่อนแล้ว เทียงในใจเนี่ยแหละท่านก็พูดให้กดระเบียบอยู่เรื่อยอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่ทำหรอกเถียงอยู่ใน ใ, นใจเถียงอยู่ในใจมันจะเป็นอย่างนั้นอแต่เนี่ยถ้าถ้าใครเริ่มจับได้จังแต่ว่ามันเอาแล้วมันเกิดขึ้นในจิตแล้วต้องรีบไหวทันเลยพราะจับปั๊บตงโอ้โหเอาและนี่นี่นี่นมันเริ่มแล้วมันเริ่มดื้อด้านมันเริ่มที่จะเอาตามกิเลสไปตามกิเลสใจเราแล้ว ถ้าคนนั้นจับได้อย่างนี้รู้ตัวนะรีบปรับรีบแก้เลยบอกเอ้าก็ท่านก็ผู้ดีแล้วอ่ะในกฎระเบียบมันก็ดีแล้วอ่ะเราจริงๆเราก็หน้าที่จะต้องพยายามทําตามหรือว่าอะไรอย่างงี้เนี่ยเนรีบเลยรีบวิปัสสนาแล้วก็รีบอบรมสอนมันถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่สะสมถ้าไม่อย่างนั้นนะใครไม่แวววยนะเผลอไปนะนึกว่าไม่มีอะไรแล้วก็แทะเถียงในใจ แต่จริงๆกายกรรมเรายังไม่ทําวัตถิกรรมเราก็ไม่ได้ทําก็คิดว่าเออแค่เถียงนั่นสนุกสนุกในใจเราเท่านั้นเองแต่มันสะสมจริงๆพอมันสะสมครั้งหนึ่ง2ครัง้งสครั้งมากเข้าเดี๋ยวเถอะมันหลุดออกมาเป็นวัตถกรรมแล้วถ้ายังไม่หยุดนะยังไม่หยุดการสะสมเดี๋ยวเถอวัตถกรรมกายกรรมอะไรครบเครื่องอะไรก็นี้แล้วคราวนี้แหละมันจะ อารมณ์มันจะรุนแรงขึ้นมันจะหงุดหงิดแล้วมันจะทําอะไรที่มันค้านแย้งอยู่เรื่อยอัตมาจําได้อัตม า, ตมาเป็นอยู่ไม่น้อยเลยนะไอออาการอย่างเงี้ยแต่ก่อนยังนึกอยู่ในใจตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยเรานี่มันคนขวางโลกยังไงนะบางทีรู้สึกว่าพอเขาพูดอย่างนั้นเรารู้สึกมันเถียงอยู่ในใจอนะ่ะมันเทียงอยู่เรื่อยนะบางทีก็รู้ว่าเขาพูดดีนะแต่ก็เทียงอยู่ในใจอ ย, อย่างนั้นนะอ่ะอ่าบางทีก็บอกว่าเอา้า มาฟังเท่ฟังธรรมที่มันดีบางทีเราก็เถียงอยู่ในใจมันไม่แน่หรอกว่าจะดบีบางคนไปฟังแล้วไม่เห็นดีเลยกมันจะเถียงเนียบใจอยู่เรื่อยเป็นแต่ก่อนเนี้ยจะมาเป็นบ่อยไอ้ไอ้ A A. สภาพจิตยอย่างเงี้ย อ, อทุกวันนี้ยังมีเผลอบางเลยบางครั้งออขนาเป็นทีเนี่ยพ่อท่านเทศเนี่ยบางบางเรื่องบางอย่างเรายังอาละมีละจะคานแยงเสียงอย่างกเงี้ จับได้ก็เอา เ, อาเอามาอีกแล้วไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วจับได้ก็เออรีบปรับรีบแก้มันถ้าใครไม่ปรับใครไม่แก้ ม, มาถึงบอกว่าเนี่ยแสดงว่ายังไม่รู้อันตรายเรื่องพวกนี้เราถึงได้ยังปล่อยให้มันมีสภาวะจิตยอย่างนี้เกิดขึ้นในใจเราเรื่อยๆวันถ้ารู้ตัวนะคราวนี้มีสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่รู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อไหร่จับได้ว่าจิตเป็นอย่างนี้อีกแล้วนี่ต้องรีบแก้ทันทีเลย จะไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยให้เนิ่นช้าเลยเหมือนผู้เจ้าทันตรัสไว้อะเหมือนกับกระทะเหล็กที่ร้อนแดงเนี่ยน้ำหยดลงไปปั๊บให้มันระเหยไปทันทีเลยน้ําหยดลงไปปั๊บระเหยทันทีเลยเพราะจริงๆริจิตเราเนี่ยมันคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยทันทีเลยถ้าใครไวๆจับได้แล้วก็โอ้โหมีแต่ต้องรีบมันจับทิ้งเท่านั้นเองเรื่องอะไรอย่าปล่อยให้มันคิดเร็วไปเรืเร่อยทุกวินาทีที่เราปล่อยให้มันคิดเร็วไปเรื่อยเนี่ย นั่นแหละเราสังสมแล้วเรารู้ตัวเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะอันนี้ต้องพยายามนะเวลาพู ด, ดง่ายทุกทีแต่เวลาทำจริงต้องฝึกจริงๆใครไม่ฝึกไม่ได้ขอยืนยันแล้วผู้ที่ฝึกเท่านั้นคือผู้ที่ได้นะอววันนี้คงฝากไว้เท่านี้